ด้วยรักบรรดา น, นิทานสีขาวเรื่องผมอยากได้รองเทา้ามีครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมปายนาะพ่อแม่มีอาชีพทำนาส่วนลูกชายคนเดียวอายุสิบขวบเรียนอยู่ที่โรงเรียนใกล้บ้านมาระยะหลังฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลข้าวในนาก็ไม่ออกรวงสวยเหมือนแต่ก่อนแล้วก็พากันล้มตายเป็นจานวนมากพ่อกับแม่เห็นว่า ถ้าดันทุรังอยู่ต่อไปคงได้อดตายกันทั้งสามคนและลูกก็ไม่ได้เรียนหนังสือจึงตัดสินใจพาลูกชายอบพยพเข้าไปอยู่ในเมืองและหางานทำแต่งานก็หายากเต็มทีในที่สุดทั้งสองก็ใช้เงินที่พอมีติดตัวไม่มากบาลงทุนค้าขายเล็กๆน้อยๆได้เงินมาเท่าไหร่ก็เก็บไว้เป็นเพื่อทุนการศึกษาของลูกชายจนหมด โรงเรียนในเมืองต่างจากโรงเรียนในชนบทลิบลับนอกจากค่าเทอมและค่านใช้จ่ายอื่นๆที่มีมากกว่าแล้วเด็กนักเรียนในเมืองยังมีอุปกรณ์การศึกษาครบคันและมีชุดนักเรียนขาวๆใส่กันอีกด้วยลูกชายชาวนาเมื่อครั้งยังเรียนอยู่ในโรงเรียนชนบท <ๆ S 2> ก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกนี้เพราะเด็กๆส่วนใหญ่ที่นั่นต่างเดินเท้าเปล่าไปโรงเรียนชุดนักเรียนเก่าแค่ไหนก็ใส่ได้ไม่อายเพื่อน แต่สำหรับโรงเรียนในเมืองแล้วความขาดแคลนถือเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นวันหนึ่งลูกชายกลับมาที่ห้องเช่าเล็กๆและบ่นกับพ่อแม่ของตนว่าไม่อยากไปโรงเรียนอีกแล้วทำไมล่ะลูกผู้เป็นแม่ถามด้วยความตกใจเพราะการศึกษาคือสมบัติยั่งยืนอย่างเดียวที่แม่ผู้ขาดแคลนอย่างนางจะหามาให้ลูกได้ขอเพียงลูกตั้งใจเรียนเท่านั้นนางก็ไม่เหนื่อยเลย ผมอายเพื่อนเพื่อนๆที่โรงเรียนใส่ชุดนักเรียนสะอาดๆทั้งนั้นแล้วทุกคนก็ใส่ถุงเท้ากับรองเท้ากันหมดเลยมีผมคนเดียวที่ใส่เสื้อเหลืองอ้อยไปโรงเรียนแถมยังเดินเท้าเปล่าไปอีกเดินไปไหนก็มีแต่คนมองผมไม่ชอบเลยเราไปโรงเรียนเพื่อหาความรู้นะไม่ได้ไปประชันชุดสวยกับใครลูกไม่น่าจะคิดมาก ผู้เป็นพ่อติงแต่คนเป็นแม่เข้าใจจิตใจของลูกดีนาหันไปบอกสามีว่าอย่าว่าลูกเลยนะพี่เราพาลูกมาอยู่ในเมืองเขา<ๆ>ก็เห็นเพื่อนมีของใช้ดีดๆก็ต้องอยากมีเหมือนคนอื่นบ้างเป็นธรรมดาอันที่จริงชุดนักเรียนของลูกก็เริ่มจะคับแล้วถึงลูกไม่พูดฉันก็คิดจะซื้อให้แกใหม่อยู่พอดีนั่นแหละผู้เป็นพ่อเงียบไปเขาคิดตามและเริ่มเห็นด้วยกับภรรยา ฝ่ายภรรยาเมื่อเห็นสามีไม่ขัดก็หันมาบอกลูกชายว่าแม่ต้องขายของเก็บเงินอีกสักสองสามวันก่อนนะแต่ก็คงซื้อชุดนักเรียนชุดใหม่ให้ลูกได้แค่สองชุดลูกต้องซักและผัดกันใส่เอาเองได้ครับแม่ลูกชายรียบรับคำพร้อมกับยิ้มแฉกสาวันต่อมาแม่ก็ซื้อชุดนักเรียนชุดใหม่มาให้ลูกชายสองชุดลูกชายเห็นแล้วดีใจมากถึงกับกระโดดโลดเต้นแต่เขาก็หารองเท้านักเรียนไม่เจอ จึงร้องถามแม่ว่ารองเท้านักเรียนล่ะครับถุงเท้าด้วยผู้เป็นพ่อกุมขมับแล้วร้องขึ้นมาทันทีโอ้ยลูกแกจะเอาอะไรจากพ่อแม่ลักหนาแค่เสื้อผ้าสองชุดนั้นเงินเก็บของเราก็แทบจะหมดบ้านอยู่แล้วนี่พ่อกับแม่ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อของมาขายต่อแต่ถ้าไม่มีรองเท้าผมก็ไม่อยากไปโรงเรียนผมจะเดินได้ยังไงถ้าไม่มีรองเท้าใส่ไปโรงเรียน แม่ก็รู้ว่าดินในเมืองมันร้อนขนาดไหนโรงเรียนใกล้แค่นี้เองทนร้อนนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกนาความรู้อยู่ที่รองเท้าหรือไงมันอยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรของแกต่างหากอย่าดุลูกนักเลยนะพี่ลูกกลัวไปหมดแล้วแม่ปรามพ่อก่อนจะหันไปพูดกับลูกชายว่าลูกเอ๋ยแม่ก็อยากให้ลูกมีเหมือนเพื่อนๆ น, นั่นแหละ แต่แม่ไม่มีเงินเหลือแล้วจริงๆลูกอดทนเดินเท้าเปล่าไปโรงเรียนอีกสักพักเถอะนะเด็กชายปล่อยโฮทันทีเมื่อรู้ว่าตนจะไม่มีทางได้ใส่รองเท้าไปโรงเรียนเหมือนเด็กคนอื่นๆเขานั่งร้องไห้ทั้งคืนจนพลอยหลับไปรุ่งคืนเด็กชายงองแงจะไม่ไปโรงเรียนเพราะไม่มีรองเท้านักเรียนใส่เขาเอาแต่พูดว่าผมอยากได้รองเท้าผมอยากได้รองเท้า เขาพูด <K un> อยู่อย่างนั้นคนเป็นพ่อไม่สนใจเดินไปจัดของใส่รถเข็นเพื่อนำออกขายแต่คนเป็นแม่สงสารลูกชาย <m uch> จึงเฝ้าปลอบโยนและพูดให้เห็นถึงความสำคัญของการไปโรงเรียนจากนั้นจึงเดินไปส่งลูกที่โรงเรียนด้วยตัวเองเด็กชายเดินออกจากบ้านมาได้ไม่กี่ก้าวก็ทำหน้าเบ้โอ้ยผมแสบเท้าครับแม่ดูสิผมไม่มีรองเท้าใส่แล้วผมจะไปโรงเรียนได้ยังไงพูดจบก็ร้องไห้ออกมาอีก ผู้เป็นแม่มีใจสงสารลูกอยู่แล้วแต่ก็ยังใจแข็งกึ่งจูงกึ่งลากจนพาลูกไปถึงหน้าประตูโรงเรียนจนได้ลูกชายยังร้องไห้ไม่ยอมหยุดและในตอนนั้นเองที่เขาเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งเดินมาแต่ไกลเด็กคนนั้นต้องใช้ไม้เท้าช่วยเดินเพราะขาของเขาด้วนไปข้างหนึ่งเขาเดินด้วยความยากลาบากแต่ก็ยังพยายามเดินไปเรื่อยๆจนผ่านหน้าเด็กชายและแม่ของเขาเข้าไปในโรงเรียน สองแม่ลูกมองเด็กคนนั้นด้วยความตกตะลึงผมไม่อยากได้รองเท้าแล้วครับแม่แค่มีเท้าสองข้างที่เดินไปไหนมาไหนได้สะดวกก็เป็นบุญมากแล้วต่อไปผมจะไม่ร้องไห้ออรองเท้าจากแม่อีกผมสัญญาครับลูกชายหันไปพูดกับแม่ของเขาในที่สุดเธอทั้งหลาย ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวในชีวิตแต่คงมีหลายครั้งทีเดียวที่เราคิดว่าเราไม่มีในสิ่งที่ควรจะมี ท, ทั้งที่ความจริงแล้วเราอาจจะไม่จำเป็นต้องมีสิ่งนั้นไว้เลยก็ได้แต่ที่เราอยากได้ก็เพราะว่าคนอื่นมีแต่เรายังไม่มีต่างหากในขณะที่เธอคิดว่าตัวเองโชคร้ายไม่มีความพร้อมในเรื่องต่างๆและหมดกำลังใจที่จะทำสิ่งใดเธอเคยหันมองคนอื่นบ้างไหม ทำไมเขายังอยู่ได้ทั้งๆ ท, ที่มีน้อยกว่าเธอเสอีกถ้าเธอเป็นนักเรียนเธออาจจะหมดกำลังใจไปโรงเรียนเพราะตนเองไม่ใช่คนเรียนเก่งและในโรงเรียนก็สอนแต่วิชาการน่าเบื่อทั้งวันแต่ในขณะที่เธอกำลังนั่งหาวด้วยความเบื่อหน่ายนั้นเด็กๆอีกมากมายกลับต้องทำงานและถูกเคี่ยนตีอย่างทารุณอยู่ในโรงงานนรกที่ไหนสักแห่ง เด็กพวกนี้อยากมีชีวิตอย่างเธอแค่ได้รู้จักชีวิตแบบนั้นสักวินาทีเดียวก็ยังดีแต่เขาทำไม่ได้เพราะไม่มีโอกาสถ้าเธอเกิดเป็นลูกของพ่อแม่ซึ่งไม่ค่อยซื้ออะไรให้เลยทำให้เธอต้องหัวเสียกระฟัดกระเฟียใส่พ่อแม่บ่อยๆและนินทาว่าท่านช่างตรณีเหลื อ, อร้ายเธอรู้หรือไม่ว่าเด็กๆอีกหลายคนต้องเกิดมาโดยไม่มีพ่อแม่เป็นของตัวเองด้วยซ้า ถ้าเธอคิดว่าบ้านของเธอหลังเล็กเกินไปจงนึกถึงคนที่นอนใต้สะพานสิเขาพอใจเพียงแค่ได้อะไรสักอย่างหนึ่งมากันแดดกันฝนไปวันๆและถ้าเธอคิดว่ารถของตัวเองเก่าจนตกรุ่นไปแล้วคนที่ต้องวิ่งตากฝนอยู่บนถนนคนที่ต้องยืนโหนรถเม์เป็นชั่วโมงๆลองคิดดูสิวา่าเธอโชคดีแค่ไหนกับชีวิตในทุกวันนี้